3. จิตหนึ่งทหนึ่งวงเล็บเปิด 9. ก้ามีนาคม25ห้าอในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดการเจริญสติ ป, ปัตาฐานเป็นทางสายเดียวแต่ว่าเมื่อเจริญไปถึงขีดสุดแล้วจิตจะเข้าไปสู่สภาวะอันเดียวกันนั่นแหละจะว่างไม่มีอะไรว่างสว่างนะไม่ใช่ว่างแล้วมืดมืดบรรลุมันสว่างนะอาโลโกอุอาปปาทัปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นนะว่างแล้วสว่างบริสุทธ หมายถึงไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยหยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตมันบริสุทธิ์อย่างนี้ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแต่เหลืออยู่อย่างหนึ่งคือความไม่มีอะไรนั่นแหละดังนั้นนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนิพพานไม่ใช่แปลว่าขาดศูนย์ขาดศูนย์เป็นอุดเฉทะ ท, ะทิฐิแต่นิพพานไม่ได้แปลว่ามีอะไรถ้ามีอะไรอยู่ก็เป็นสัตสตทิฐิซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิทั้งคู่ ฉะนั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกปลายทางที่ว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างปิดเครื่องหมายคําพูดหลวงปู่ดูลเรียกรวมอยู่ในคําเดียวคือคําว่าในเครื่องหมายคําพูดรู้คําว่ารู้ของท่านเนี่ยนิยามคือยาวเฟยนี่และสภาวะของจิตที่ทรงอยู่ตรงนี้เรียกว่าในเครื่องหมายคําพูด จิต1ทำที่จิตหนึ่งนี้ไปสัมผัสอยู่เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดทำหนึ่งอะไรที่เป็นทำหนึ่งทำหนึ่งคือทำที่ไม่ใช่คู่ทำหนึ่งมีสิ่งเดียวคือนิพพานจิตที่รู้นิพพานเป็นอารมณ์อยู่นี่ไม่ปรุงแต่งไม่แสวงหาไม่ดิ้นรนเรียกว่าจิตหนึ่ง ท่านพุทธทาสเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่บุตรดาเรียกว่าจิตเดียวแล้วแต่จะเรียกนะเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าพุทธก็ได้เรียกว่าธรรมก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้เพราะชื่อไม่สําคัญ